ปฏิหารที่สองเรื่องเท้ามหาราชทั้งสี่ข้อสีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไัยสนแห่งหนึ่งไม่ไกลจากอาศรมของชดินอุรุเวลกัสปะเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเท้ามหาราชทั้งสเปล่งรัศมีงามย่างไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 พัฏหารเสร็จแล้วท่านพระมหาสมณะเมื่อราตรีผ่านไปแล้วพวกนั้นคือใครกันหนอเปล่งรัศมีงามยังไพยส่วนทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้ามาเฝ้าพระองค์ถวายอภิวาทแล้วได้ยืนเฝ้าทางสี่ทิศดุจกองไฟใหญ่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสปะพวกนั้นคือเท้ามหาราชทั้งสี่เข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรม ขณะนั้นชดินอุรุเวละกัสปะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับเท้ามหาราชทั้งสี่เข้ามาเฝ้าเพื่อฟังธรรมแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคเสวยพระทหารของชดินอุรุเวละกัสปะแล้วประทับอยู่ที่ไพรสนแห่งนั้น ปาฏิหาริย์ที่2จบ